ความสุขความเจริญจะมีแดท่านผูกฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้คงเป็นเรื่องของวัตถุสูตรอีกเช่นเคยก็พูดมาถึงช่วงที่ทรงสรุปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในการด้แลภิกษุรู้ชัดว่าแล้วก็ทรงระบุอุปกิเลททั้งส6ข้อ ว่าเป็นทำเครื่องเศร้าหมองของจิตด้วยประการชนนี้แล้วกวละอุปกิเลสสบที่เป็นทำเครื่องเศร้าหมองของจิตได้แล้วในการนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระพุทธเจ้าวะก็จากนั้นก็ทรงแสดง พระพุทธคุณครบทั้งเก้าพระพธรรมคุณทั้งหกพระสังฆคุณทั้งเก้าซึ่งเรื่องนี้ทัางสาชนจะสังเกตว่าเราจะพบบ่อยถามว่าทำไมเพราะในความเป็นพระตรัสร น, นั้นเป็นสุดยอดของความเป็นาศาสนาพุทธ คือหลักธรรมในศาสนาทั้งมวลเนี่ยไปสรุปรวมที่พระพุนาฏรายัยแล้วปริยัติปฏิบัติปฏิเวทก็มีความสมบูรณ์ในองค์พระพุทธเจ้าและตัวพระธรรมเองก็เป็นตัวพระสัธรรมคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวท ต, ตัวพระสังกัลปก็คือเป็นภาพสะท้อนเป็น สักขีพยานในการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าว่าไม่ใช่สั่สรู้เฉพาะพระพุทธเจ้าแต่ว่าใครก็ตามที่มีความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะปฏิบัติทุกทางดงเนินไปตามหลักของสังกคุณโดยเฉพาะสีข้อแรก คือปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรได้ถึงจุดหนึ่งก็จะเข้าสู่อนุพุทธะือรู้ตามที่พระพุทธเจ้ารู้เห็นตามที่พระเจ้าเห็นแล้วก็จะมีโลกทัศน์เปลี่ยนแปลงตามเสด็จรอ ย, อยุยคนบาศของพระพุทธเจ้าลึกซึ้งได้ขนาดไหนก็ไม่เหลืเรื่องหนึ่งแต่หมายความว่ามีเมตตากรุณาเพิ่มขึ้น เพราะในพุทธคุณธรคุณสังฆคุณจึงเป็นอนุสติสามประการในอนุสติทั้ง1ิบประกา ร, เ, ราเป็นอารมณ์ของสมถกรรมฐานเราสามารถสาธยายเพื่อจิตสงบอยู่กับคุณของพระตรัไฑรสามารถนำบทบางบทขึ้นมาภาวนา เป็นจุดยึดเหนียวของใจไปตั้งสติระลึกอยู่ที่บทพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเจ็ดพุทโทธธรมโมสังโฆักนขณะเดียวกันเมื่อเราใช้ปัญญาพินิจาิจนาในพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแต่ละบทมันจะเกิดเป็นปิติประมทต จิตก็จะดำเนินไปสู่ความสงบคือสมาธิเพราะในขณะที่เราพิจารณานั้นเราใช้สติสมัญ ญ, ญาและความเพียรมันเป็นกระบวนการทางจิตในกระแสของโพชฌงทั้งเจ็ดประการประสงจิตจุดหนึ่งมาก็เราจะเข้าผสมกลุ่มเกลื่นกับคุนของป ร, รัตตนาไไร เห็นปัญญาปรากฏที่จิตเห็นความบรสุดิ์ปรากฏที่จิตแล้วก็เห็นความเมตตากรุณาปรากฏที่จิตซึ่งหมายความว่ทุกขั้นตอนของธรรมะปฏิบัติต้องเห็นคุณธรรมสาประการนี้มากน้อยไม่รู้อย่ากลางละเอียดไม่รู้ถ้าไม่เห็นก็แสดงว่าไม่ได้รับผลเลยราะความเปลี่ยนแปลงนี่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเพราะธรรมะเป็นหลักเรียกสัญเลขาคือมันขัดเกลาความชั่ว ถ้าขัดเราตั้งนานแล้วความชั่วไม่หายเลยเมื่อขัดสนิมสนิมไม่หายไปเลยเนี่ยก็แสดงไม่ได้ขัดนะนีน่หรือขัดไม่เป็ี่ยนก็ในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณตรงเนี้ยส่งโต๊ะ้ายที่เราสวดนั่นแหละก็เหมือนที่เราสวดนั่นแหละว่าแม้พระเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระหัน์ สัตรุลีสัตรุชอบโดยพระองค์เองทรงสมบูรณ์ด้วยวิชาและเจรณ ะ, สะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสรรฐีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งไปกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกจกจ่ายธรรม คือพุโทโธเนี่ยแล้วแต่จะแปลนะครับเพราะว่าพุโทโธเป็นที่รวมของพระพุทธคุณทั้งสามที่เรียกก็รู้ตื่นเบิกบานตอนนี้ท่านเอาการุณาคุณมาเป็นจุดเด่นถ้ตามปกติแล้วในเ บ, บ็ดวงของชาวพุทธเองเราก็แสดงความนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยในลักษณะนั้นในการ น, นี้แปลแบบนี้ก็เหมือนกับเอาบทนโมขึ้นต้น พอนโมรเราจะเห็นว่าเอาการุณาเป็นหละทีนี้บางทีเราก็แปลว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานคือเอาเสี้ยทั้งสามคำเลยทางปัญญาบริสุทธิ์กรุณาแต่อาจจะแปลว่าเบิกบานแล้วเป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้รู้ก็ก็ก็ได้คําไหนก็ได้ก็คือเป็นการพูดถึงอีกสองคำอยู่เลย พระลักษณะเหล่านี้คือความต่อเนื่องกันหมายความมาหนึ่งจะบ่งบอกอีกสองพูดตัวไหนก่อนก็ได้ก็ไม่ว่าอะไรกันที น, นี้พระกวามันก็มีลักษณะอย่างนั้นพระกวาเน้นที่กรุณาคุณแต่บางทีเราก็แปลว่าเป็นผู้จำนแนกแจกจ่ายธรรม รือแสดงว่าเน้นที่กรุณาแต่บางครั้งเราก็แปลว่าผู้มีโชคก็ยืมบวาหารชาวบ้านมาพูดพระพุทธเจ้าที่จริงไม่มีไม่พูดเรื่องโชคหรอกแต่ว่ามันเป็นภาษาภาษาภาษาปากเพราะทะาแมเราก็สื่อสารไม่เข้าใจทีนี้ทรงประกอบโดยพักธรรมเนี่ยมันเน้นที่ตัวบริสุทธิ์ ตามปกติเราก็ไม่เคยแปลเพราะว่าถ้าไปออกพระธรรมมันต้องขยายหกหรือเรื่องมันจะยาวพอมาถึงต่อไปก็ขึ้นที่พระธรรมเลยเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระธรรมว่าทำอันพระผู้มีพระภาคเจ้าสัต ด, ดีแล้วอันบุคคลพึงเห็นได้เองไม่ประกอบดริการคนเรียกให้มันดู บทน้อมเข้ามาในตนอันมียิวชนพึงรู้เฉพาะตนคือเองสังเกตว่าพระธรรมเนี่ยจะหกข้ออย่างนี้พุทธคุณยังกระจายนะฮะยังกระจายบางทีอาจจะไปถึงพุทธคุณร้อยแปดพุทธคุณร้อยบทคือบางพระสูตรบางพระสูตรเนี่ยจะมีพุทธคุณอยู่ถึงร้อยบท เช่นอุบาลีวัทสูตรในมัชฌิมนิกายอุบาลีเครื่อง บ, บดีลุกสิทธ์ของท่าน น, นิครนาทบุตรปรุมักผลเป็นปโสดาบันใหม่ๆอ่ะไม่กี่ก็คงไม่ถึงสองสามชั่วโมงนะครับท่านสาทยายสรรเสริญพระพุทธคุณต่อหน้าท่าน น, นิโครนาทบุตรรวดเดียวเป็นฉันขึ้นมาร้อยบท มีคนนาตบุบรผิดหวังอย่างแรงโถมนัสอย่างแรงกระอักเป็นโลหิตสดๆนะต้องหามไปจากบ้านอุบาลีกลาบดีแต่ว่าธรรมคุณจะเอาอยู่เนี้ยสามข้ออย่างเงี้ยเป็นหลักไม่ใช่หกข้ออย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าสองข้อนี่คือสวัสดคาโตกับอากาลิโก เป็นการแสดงถึงสถานะของธรรม ะ, ระธรรมะรู้จะส่งแสดงวาดีละมองในมิติใดก็ได้คือแสดงวาดีละแล้วถ้าในภาคปฏิบัติเนี่ยที่จริงมันก็เหมือนกับงูตัวในเราจับจับหัวไว้ได้แล้วก็ไปอะฮะลากหางติดมาด้วย อย่ยกตัวอย่างว่าศี่ห้านี่ยถ้าเราจับหัวคือเมตตาได้หรือจับที่สติได้นี่สี่ห้ามันก็ไปและพรหมจหัย์สี่ถ้จับที่เมตตาได้ก็ไปแล้วกุศลกบุตรสิบเนี่ยจับที่สัมมาทิฏฐิหรือเมตตาได้ก็ไปแล้วไปหมดทั้องสิงละเพราะงั้นธรรมะเหล่าเนี้ยเป็นระบบคําสอนที่เป็นนิ ป, ปรยายคือแสดงอย่างนี้ทุกทีหรือ เออเป็นปริยายคือแสดงโดยนัยะต่างๆแต่ผลจะเกิดขึ้นมาเป็นการเพิ่มขึ้นของปัญญาความรู้สุดและก็ความเมตตากรุณาในขณะเดียวกันโลภะตัสามมหนลดนั่นคือสูตรเลยแต่ว่าธรรมะที่ทรงแสดงอาจจะข้อเดียวเช่นเมตตาข้อเดียว เช่นศรัทธาข้อเดียวเช่นความเพียรข้อเดียวเช่นสติข้อเดียวเช่นสมาธิข้อเดียวเช่นปนัญญา ข, าขา้อเดียวแล้วอย่างอื่นก็เกิดเองนะฮะก็เกิดตามมาเองในภาคปฏิบัติเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการแต่ว่าในภาคปริยัติเนี่ยคือบางทีก็ส่อกระบวนการเน่ะมันแสดงมาทั้งหมดแต่ว่าภาคปฏิบัติก็จะขับเคลื่อนด้วยด้วยกระบวนการกาของเขา โดยกระบวนการนธรรมะนี่อยู่ที่จุดเริ่มต้นนะอย่างที่ก็ยกเปรยียบว่าพราะอินทรียห้านี่ยมันยิ่งใหญ่มากแต่ละข้อนี่เขาเป็นผู้นําม น, นุษย์สู่นิพพานได้หมดศัทธาก็นําได้วิริยาก็นําได้สติก็นําได้สมาธิก็นําได้ปัญญาก็นําได้คนอื่นก็ตามคือไม่ใช่ไปเดียวนะฮะ แต่เนื่องจากเขาเป็นกระบวนการคล้ายๆกับว่าเขาสั่งนายพลคนหนึ่งให้ยกทัพบอกคุณํำทหารของคุณไปดาเนินการอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นก็สั่งคนใดแล้วก็ไปทั้งหมดนะฮะแล้วก็ไม่ใช่ไปเฉพ า, าทะทหารไปทั้งหมดทั้งชุดของทหารเลย นั่นคือกระบวนการที่เวลนี้เราพูดถึงบูรณาการกันมากอะไรก็บูรณาการบูรณาการบูรณาการที่จริงแกงถ้วยหนึ่งก็บูรณาการแล้วน้าพริกถ้วยหนึงก็บูรณาการแล้วมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่เราเกิดบัญญัติสั์ขึ้นมาแล้วก็ตามขลังแล้วก็บิววากันใหญ่ก็ในชีวิตเราบูรณาการทุกวันแล้วเข้าสู่กระบวนการทุกวัน ทีนี้พอเอหิปัสสิโกเนี่ยเป็นปริยัตเป็นปริยัติสัทธรรมนะฮะโอปัยญโกเป็นปฏิบัติสัทธรรมสันนิติโกกับปัจจตังวิรุตุบงโยหิเป็นปฏิเวทสัตธรรมเพราะงั้นถ้าเราจับหลักได้แล้วโอปลายใาญ่ไดไปยาวเหยียดไ เื่อมยงหมดนะทั้งปัจจัยบิดก็เลยเราก็ลงไปโน้นนะอัตตกะถาดีการนุติการเชื่อมโยงไปหมดเลยโดยเอาพระธรรมคุณเป็นส่วนหัวเดี๋ยวนี้จะเอาตรงอื่นก็ได้นะแต่ก็เป็นธรรมะยันนั่นแหละดังนั้นก็รับสั่งว่าเป็นผู้ประกอบด้วยความเรื่อมใสแ น, แน่ๆในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระภูมิรภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติชอบยิ่งคือคู่บุรุษสี่บุรุษบุคคลแปดนั่นแหละประสงค์สาวกของพระภูมีรภาคากเป็นผู้ควรรับเครื่องศักขระเป็นผู้ควรของตอนรับเป็นผู้ควรทักขีนาคือทำบุญบุญจิตเป็นผู้ควรทำอัญเชิญ เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่าก็เพราะเหตุที่กิเลสนั้นนั้นภิกษุนั้นสละได้แล้วขายแล้วปล่อยแล้วละเสียแล้วสละคืนแล้วคำเหล่านี้เป็นคำซึ่งมันเกิดขึ้นจากผลรวมของอริยมรรคเองแปดประการ เป็กบ็บวนการนะฮะคือคือหมายความมาพอถึงจุดหนึ่งกอ็อาศัยรูปธรรมเป็นสื่อลองสังเกตว่ากิเลสเนี่ยมันเป็นนามธรรมมันสื่อยากเพราะเวลาทรงใช้เนี่ยเราจะเห็นว่ารูปธรรมแต่ละแนลว่าใช้สละได้แล้วแล้วก็ขายขายแล้วคือคล้ายๆกับไปอมอยู่ในปาก แล้วมันก็สร้างปัญหาให้เลยขายทิ้งเลยแล้วปล่อยแล้วก็จะเป็นพิษเป็นภัยอยู่เลยปล่อยออกไปละเสร็จแล้วสละคืนแล้วมันก็เหมือนกับที่ตอนรับสั่งในธรรมจักรวัฒนสูตรใช้คามาจายาโกปฏินิสกโกรมตินาประโยชจะฆ่าคือสละแล้ว จากปตินิสโกคือค า, ายคคือคืนแล้วมุติคือพ้นแล้วอนารโยคือไม่มีความอะไรคือทั้งหมดเนี่ยมันมันกิเลสเนี่ยมันสร้างปัญหาสารพัถ้าเธอละพวกเหล่านี้ได้ก็หมายความว่าพวกนี้เป็นตัวแทนของสรรพกิเลสทั้งหมดเป็นบหาระเทศนา หมายความมาเป็นการแสดงถึงทุกข์ษัตริย์มกษัตริย์แล้วก็นิโรธศัตร์ไม่ใช่คือด่แสดงสมุทัยศัตริ์นิโรธศัตร์แล้วมกษัตริย์หมายความว่าทุกนั้นก็ดับไปโดยโดยอัตโนุบัติเพราะการปรากฏตัวของนิโรธศัตริย์เพร า, ะ ล, ะนานลักษณะเรานี้ยมันดับกิเลสหมดใช้คําไหนก็ได้นะ เขาเรียกบอกไปเหมือนเป็นวิยพจน์ของกันและกันใช้คําเดียวก็ได้แต่ทีนี้ต้องการจะสื่อสารให้กระจายเพราะว่าคนฟังแสดงกันั่งมากจะเลยเห็นวาชกรรมพระภิกษุทั้งหลายแสดงมาหลายรูปแล้วก็วุฒิภาวะท่านก็ต่างกันเพราะในการสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจเนี่ยเลยคํามันต้องมากคําบางคําคนก็ไม่เข้าใจอะ่ะ มันเหมือนการตรวจนักธรรมของพระเนี่ยเพื่อามาตรวจในส่วนกลางโดยเฉพาะนักธรรมเอกในตรวจส่วนกลางในจดหมายก็มาคำตอบออมาจากพระทั่วประเทศแล้วก็มีคําก็เรียกว่าคําภาษาถิ่นภาษาถิ่นนี่จะตอบมาเนี่ยจะไปเจอภาษาเหนือซึ่งเป็นภาษาถิ่นขึ้นมาก็มัการเป็นปากใต้ อ๋อไม่รู้เรื่องหัวหน้ากรรมการจึงมีทุกภาคก็จัดโต๊ะเนี่ยให้มีกรรมการอยู่ทุกภาคองค์หนึ่งไม่เข้าใจก็ถามวีาองค์หนึ่งเขาหมายความยังไงเนี่ยเพระาะเราจะตัดสินตามความเข้าใจของนักเรียนไม่ใช่ตัดสินตามภาษาที่เราเข้าใจนะด้วยภาษาที่นักเรียนเข้าใจอ่ะในเรียนกาสื่อมาด้วยภาษ า, างไงอันนี้มันตรงไหม ลงไม่ใช่ได้ดังนั้นก็แสดงให้เห็นว่าเป็นเป็นผลซึ่งปรากฏภายในจิตเป็นตัวยานนะนะตัวยานที่ก็อยู่กับจิตตลอดหมายควา ม, ม, ามื่อเมื่อกิเลสเขาหมดแล้วนี่จิตก็อยู่ในนิโรธที่นการของนิโรธเนี่ยก็เฉพาะในที่นี้ก็ส่งแสดงว่า เธอย่อมได้ความรู้แจ้งอัดรู้แจ้งธรรมจ้าว่าอัฏฐ์นี่คือเนื้อหาของเรื่องเหล่านั้นหรือบางทีบางทีก็หมายถึงผลนะรแต่ธรรมะก็หมายถึงถึงธรรมะประเภทต่างๆแหละเป็นกุศลก็ได้กุศลก็ได้แต่ว่าตอนนี้มันก็กลายเป็นเหตุหมายความมารู้ในส่วนเหตุกบรู้ในส่วนผล ในความเป็นอริยสัตว์เนี่ยเราเจ็นว่าทุกข์กับนิโรธเป็นผลสุขไตกามักเป็นเหตุผลท้าถ้าวตั้งถรงเหตุผลแต่ว่าธรรมะปฏิบัติเหล่านี้พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยอริยสัตว์ทั้งขบวนการเนี่ยมันเคลื่อนไหวไปด้วยกันไาหนึ่งเกิดไาหนึ่งก็ดับ บริยาในการแสดงก็ทรงแสดงเราจะเห็นว่าเช่นเช่นยกตัวอย่างทรงปรารพถึงพระโคจิกะซึ่งชีวิตท่านดับก่อนหลังการดับของกิเลสคือกิเลสดับก่อนกิเลสดับแล้วก็ชีวิตดับเลยเขาเรียกว่าเป็นชีวิวตะสมสีสี เป็นพระหันปร ะ, รประเภทชีวิตะสมัสสีคือดับต่อนเนื่องกันไปเรียกว่าอาจจะไม่ก่อนไม่หลังหุดจะไม่ก่อนไม่หลังนะแต่ว่ากิเลสต้องดับก่อนนะเปลี่ยงแป่ว่าขนาดมันเร็วอ่ะมันแยกไม่ทันมานก็ได้แสวงหาปฏิสุนที่บิญญาณของปะโคติกะหาไม่เจอร้อมตัวก็ไปถามพระพุทธเจา้า พุเจา้ารับสั่งว่าโคติกะไม่มีปุนที่ปิญญาณโคติกะนี้ผ่านแล้วมานก็เสียใจออกไปจากที่นั้นพุทธเจา้าก็รับสั่งบอกแสดงให้ภิกษุทั้งหลายทราบเจ้ามานก็กลายเป็นเมฆหมุนวนเร็วอย่างเร็วเลยจ้าหาไม่เจอพุทธเจา้าก็ชี้บอกว่านี่มานกำลังแสวงหา แล้วรับสั่งว่ามาเมื่อแสวงหาอยู่ย่อมไม่พบผลทางของบุคคลผู้มีศีลมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทหลุดพ้นพารูร้ชอบคิดว่าเจนว่าสมบูรณ์ด้วยศีลกับมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทนั้นก็คืออริยมรรคหลุดพ้นพรรู้ชอบนั้นเป็นนิพพานเป็นนิโรธ ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ไม่มีปุถุนที่ปัญญามันก็หาไม่เจอมันในที่นี้หมายถึงตัวเทวปุตตมานนะคหมายถึงเทวพุตตมานเพราะกิเลสมันดับไปแล้วมันเลิกพูดแล้วแต่เทวปุตตมานเองก็หาไม่ไม่เจอตอนในในข้อนี้ก็ทรงแสดงมั่งกับนิโรธแต่เราต้องเข้าใจนะฮะว่าสุเมถัยกับทุกข์ดับแล้ว แสดงในไฟายที่ปรากฏอยู่ก็อีไฟลยหนึ่งก็คือดับไปแล้วในที่นี้ก็ทรงแสดงอย่างนั้นว่าย่อมได้ปราโมทอันประกอบด้วยธรรมว่าเราเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระพุทธเจ้าตรงนี้ก็เรียกว่าโสตาปฏิยังค่ะเป็นคุณสมบัติของระโสดา บ, บันแสดงว่าทรงแสดงระดับโสดา บ, บันก่อน จะหมายความยังไงหมายความาการสละก็ดีการขายก็ดีการปล่อยก็ดีการละก็ดีการสละคืนก็ดีเนี่ยมันเป็นระดับหนึ่งระดับที่เป็นประสบการณ์แต่ก็ส่งแสดงไปเรื่อ ย, อยนะแนวแสดงอย่างเนี้ยแนวเป็นบันดไดนะหมายความมาขึ้นประนีขึ้นไปเรื่อย แต่วลักษณะจิตที่ศรัทธาเลื่อมใสอันมั่นคงในพระพุทธเจ้าพระธรรมน่ะมันเริ่มต้นที่ปสจจุบันเวลาทรงแยกแสดงก็แยกว่าโสตาปฏิยังคะพระองค์ก็คุณหรือคุณสมบัติของปัจจุบันเกิดจะมีลักษณะเด่นอยู่สี่ประการ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 ถ้ามีสิ่งนี้ต้องไม่มีสิ่งนี้คือระหว่างมรรคกับสมุทัยเนี่ยเขาไม่มีลักษณะร่วมระหว่างทุกข์กับนิโรธเนี่ยเขาไม่มีลักษณะร่วมเพราะนเมื่อลักษณะเด่นที่ปรากฏ ต, ตรงเนี้ยมันก็คือมรรคกับนิโรธก็แสดงว่าทุกข์ก็สมุทัยก็ดับแต่เป็นการดับในระดับใดก็ตอนนี้ก่อนถูกเน้นที่พระโสดาบันก่อน แล้วก็รับสั่งว่าเพราะกิเลสนั้นๆอันเราสละได้แล้วคายแล้วปล่อยแล้วละเสียแล้วสละขึ้นแล้วดังนี้<ะ>เมื่อปราโมทย์แล้วย่อมเกิดปิติเมื่อปิติในใจกายสงบเธอก็มีกายสงบกายย่อมสงบเธอก็ย่อมมีกายสงบย่อมได้สวยสุขเมื่อมีสุขจิตก็ ย, ย่อมตั้งมัน่น ัเราจะเห็นว่าเป็นการแสดงถึงกระบวนการทางจิตในวิถีของผู้ชงนะฮะแต่ว่าจริงๆก็คืออะไรมากเพราะในผู้ชงที่จริงก็คือจิตสิกขากับปัญญาสิกขาแต่ว่าส่งเน้นใ้เห็นว่าจิตมันจะเดินอย่างเงี้ยพอปราโมดมันก็เกิดปีติปีติก็ปัสสติประสติก็สมาธิสมาธิก็เบกขาก็ก็ไปเนย ดังนั้นรับสั่งว่าลูกกรรพิสูจนทั้งหลายพิสูจนนั้นแลมีศีลอย่างนี้มีธรรมอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้ก็เป็นผู้อยู่ครองชีวิตด้วยใจศีกขาจากนั้นมันก็คืออะไรล่ะอาหุนโยปหุนโยตะคิดนโยเรารับสั่งว่า ถึงแม้จะฉันบินตบาทข้าวสาลีปราศจากเม็ดดำมีแกงมีกับมีใช่น้อยการฉันบินตบาทของพิสุจน์นั้นก็ไม่มีอันตรายเลยคือประเด็นตัวนี้เป็นการพูดถึงการฉันอาหารของพระว่าการฉันบางอย่างเนี่ยแต่พระท่าน ไม่มีศีลไม่มีธรรมะอยู่ภายในใจมันก็ไม่ได้อยู่ในฐานะอุนโยปหุนโยตะยคินโยเพราอย่าลืมว่าความเป็นพระมันสืบเนื่องมาจากสุ ป, ปฏิปโนชุ ป, ปฏิปโนอญายปฏิปโนตอนนี้คือกระบวนการนะฮะกระบวนการเลยมื่อเป็นอย่างนี้ก็ควรเป็นอย่างนี้ถ้าไม่เป็นอย่างนี้ก็ไม่ควรเป็นอย่างนี้เพราะฉะนต้งจำแม่การบริโภคไว้ ก็อย่างหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าเทยะบริโภคบริโภคอย่างขาโมยแต่ทีนี้ถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอเนี่ยเขาเรียกว่าทายักฉะบริโภคเืคิดบริโภคอย่างเป็นทายาทสืบ อ, อายุพระพุทธศาสนาแต่ทีนี้ถ้าเป็นพระหรันถ้าเป็นพระหันก็เป็นสามีบริโภคบริโภคอย่างเป็นเจ้าของ เพราะอะไเพราะว่าคุณสมบัติสุปฏิปันโนสุปฏิปันโนญายาปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนเนี่ยเป็นคุณสมบัติของพระยาบุคคลคนที่เข้าถึงสมบูรณ์เนี่ยเราไม่สมบูรณ์หรอยยังไงมันก็มีทางสมบูรณ์ต่อสิ่งที่ละเอียดนะแม้แต่คิดบางอย่างสี่งก็ด่างสี่งก็พร้อยพระวจย์ก็ไม่โปรยสุดแล้วคือไม่ใช่เรื่องง่ายอ่ะนะ ถ้าเราจะคิดเทียบมันก็คิดถึงสีห้ายังไม่ไม่ต้องมีคิดถึงสีพระเราคิดถึงศีห้าแล้วเราจะเห็นว่าในความเป็นศีนห้าเนี่ยถ้าถึงจุดหนึ่งจะต้องน้อมเข้าหาสมาธิแล้วไม่เห็นอาการของตาหามานะเพราะเรามีศีล มันจะเข้าไปสู่กระแสของเรียกว่าอริยการตัดสินคือศีดไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยก็บินญูชนหินก็ยกย่องสรรเสริญเดี๋ยวภาในใจเนี่ยมันไม่มีตัณหามานะสงบนะมันมันไม่ถึงกับดทศีลเนี่ยคือตัณหามาณนะไม่จะดับมันง่ายเดี๋ยวใจใจจะน้อมเข้าหาความสงบ เเรียกว่าสมาธิสังวัตนิกาทีนี้ถ้าถ้ายัางไม่น้องเข้าไปก็แสดงว่ายัางไม่สมบูรณ์มันเป็นเรื่องพยายามเป็นเรื่องพยายามเพื่อจะให้ราคะโลภาโทสะโมหอย่างไปคลายไปบันเทาไปนะอย่างที่ทรงแสดงนี่แหละแต่ว่ามันเดินบนเส้นทาง แล้วกำลับบงเดินกบบาลังเดินทางทุกคนกบบาลังเดินทางไม่ต้องติดใจพระพุทธเจ้าบอกว่าหกล้มหกลุกไปก็แก้ไขใหม่เัราะนี่เปิดโอกาสในญาติโยมต่อสีลได้สามเณรต่อสีลได้พระแสดงอบัตได้ยกเว้นประรชิกหรือสังฆธิเศก็มีกรรมวิธีของเขานอกจากนั้นก็สามารถ แสดงอาบาตได้แล้วก็ปรปับปรุงตัวเองแก้ไขตัวเองไปจากนั้นก็ย้อนกลับไปที่เดิมวัตถุก่อนพิสูจนทั้งหลายผ้านส้าหมองมนทินจับอาศัย น, น้ำอันใสจึงเป็นผ้าหมดจดผ่องใสอีกอย่างหนึ่งทองคำอาศัยบ้าหลอมที่ทำทองให้บริสุทธิ์จึงเป็นบ้าวทองผ่องใสชั้นใด พิสูก็ฉันนั่นแหละมีศีลอย่างนี้มีธรรมอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้คือคาว่าพิสูจน์ในที่นี้อย่าไปคิดว่าพระนะหมายถึงผู้เห็นภัยในสังสารวัฏทั้งหลายหรือใจพระผูกขาดแล้วก็จ้องปรับอาบัติพระอยู่กรือยังจะมีการถามเรื่องพระไปข้าวออกต่างประเทศอะไรตาเนี้ เ, เ, เรื่องเี่ยวกภาษีพระเาระมัดระวังนะเขาก็าต้องแจ้งนะฮะเขาต้องแจ้งทุกขั้นตอนโยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกพระท่านระมัดระวังนะท่านท่านก็าตองอบัตก็มีปัญหาก็ท่านก็มีปัญหาเองด้งการปฏิบัติพัฒนาจิตไปตามหลักที่ทรงแสดงเอาไว้เนี่ยมันทำจิตให้พร้อมที่จะรองรับคุณธรรมเบื้องสูงขึ้นไป กายกับผ้าที่มันซักสะอาดเรียบร้อยเลยมันพร้อมจะยอมให้เป็นสีต่างๆได้ตามต้องการทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้นม่นจะฐานอาหารโดยนัยาดังกล่าวก็ไม่มีอันตรายจากนั้นก็ทรงแสดงทรงแสดงมาถึงจุดสำคัญก็คือพิสุนั้นมีใจประกอบด้วยเมตตากรุณาโมทิตาวเวขา ธรมะตรงนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องสําคัญมากคืออย่าลืมว่าโลกโกประธรรมพิกาเมตตาเมตตาเป็นธรรมคําจุนโลกเมตตามีสัตว์ทั่วไปเป็นอารมณ์มองสปปรรพชีวิตด้วยความเป็นมิตรเนี่ยมันจิตมันใหญ่มากนะะไม่มีอะไรขัดขวางเลยมองด้วยความเป็นมิตร ก็มามองเวลาเรามีโอกาสอบรมพระแต่เราก็พูดได้กับพระผู้น้อยอนะฮะคือเวลาเข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ก็เป็นพระผู้น้อยเกิอท่านทําใจอ่ะให้ท่าน ท, ใใทานทใจว่าเราเนี่ยไม่ใช่เจ้าของวดัดท่านจะเป็นสมบัติท่านเป็นเจ้าคณนะอะไรแต่อไรอย่าไปหลงตัวเองไม่ใช่เจ้าของอนั่นนะ ท่านมีพันธกิจที่จะต้องปฏิบัติตามที่คณะสงฆ์มอบหมายให้แต่ไม่ใช่สมบัติส่วนตัวเพราะถ้าเกิดเป็นคิดเป็นสมบัติส่วนตัวเนี่ยมันจะเกิดโลภะโทสะคือยินดียินร้ายมันจะกีดกันคนบางกลุ่มแล้วก็สนับสนุนคนบางกลุ่มเพียงแต่ว่า ภารกิจเหานี้คือการปฏิบัติธรรมเพราะนั่งตําแหน่งสมผานว่าวัดบาปนี่ทุกรูปทุกคนทุกชีวิตในวัดเนี่ยคือคนของเรามันต้องขยายอย่างไงได้ใจต้องถึงใจถึงแล้วต้องเข้าถึงในขณะเดียวกันนี่มือต้องถึงใจถึงเข้าถึงก็มือถึง ถ้าไม่งั้นมันก็ไม่อบุ่นนะ่ะทีนี้ความคิดเนี่ยกระจายกระจายไปจนถึงว่าเป็นเป็นเช่นสมมติว่าเป็นนายกเนี่ยคือคนทั่วประเทศเ น, นายกของแผ่นดินไม่ใช่นายกของภาคนั้นภาคนี้ของภาคนั้นภาคนี้ของของคนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้หรือตะลโมงนี่คือการปฏิบัติธรรมโดยเดิน ว, ว่าธรร ม, มะมีครอบคุมวิถีชีวิตของคนด้วย เพียงแต่ว่าคนบางทีเนี่ยไม่รู้หรือไม่เข้าใจแล้วก็ไปให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นแต่ที่จะมองที่ธรรมะเนี่ยเพราะธรรมะมันจะเหนืออย่างอื่นทั้งหมดคุณทําอะไรก็ได้แต่ถ้าคุณขาดธรรมะคุณก็ไปไม่รอดทั้นงนั้นเรื่องลยยกตัวอย่างว่าพระนเรศวรทําสงครามยุทธศาสตร์ท่านมีอะไรท่านมีขันติ ท่านมีศรัทธาท่านมีวิริยะท่านมีสติท่านมีสมาธิท่านมีปัญญาท่านมีปฏิภาณท่านมีอธิฐานอุธรรมะมาเป็นแทบมาเลยถ้าเาถ้าเราลองนับดูแลธรรมะนี่มามาเป็นกระบวนมาเลยนะต่อเนื่องต่อเนื่องเลยเดี๋ยวไม่ขาดแลในสุดก็สามารถพลิกสถานการณ์ถึงเป็นรองทั้งร้อยเนี่ย ให้ชนะได้ ท, ทั้งร้อยทีนี้ถ้าถ้าเรามองเห็นได้อย่างเนี้คนแต่ละคนมีจุดนัดพบกันที่ธรรมะปัญหาการแยงทั้งหลายยุติกันที่เหตุผลและความดีทั้งหลายเราไม่ใช่ศูนย์กลางแต่ธรรมะคือศูนย์กลางเราการแยงอะไรปัญหาว่าธรรมะไหงไง ก็อย่างเนี้ยอย่างอย่างเราพูดถึงเย็นถึงร้อนร้อนมากร้อนน้อยเย็นมากเย็นน้อยเนี่ยถ้าเราเอาตัวเราเข้ากําหนดเนี่ยมันหาข้าอยุติไม่ได้ถ้าคุณต้องการวัดคุณก็ต้องมิเตอร์มาวัอันนี้กว้างยาวเท่าไหร่เนี่ยคุณใช้คุณใช้ความคิดคุณไม่ได้ใช้นิ้วไม่ได้คุณต้องใช้ไม้เม็ดไม้ฟุดไปวัดเพราะธรรมะมันกลายเป็นมาตรเป็นมาตรวัด เมื่อวัดจิตของคนวัดวิถีชีวิตของคนเพื่อนำพาคนให้เดินไปบนกระแสของธรรมะวันไม่ตาจึงมีสัตว์ทั่วไปเป็นอารมณ์ใจไม่แบ่งแยกนะแต่ทีนี้ไอ้ใจใหญ่ขนาดนี้มันยากเพราะงั้นรู้เจ้าก็สอนให้ฝึก พัฒนาจิตไปเรื่อยตั้งตั้งแต่ตัวเราแล้วก็เอาผลใกล้เคียงไปเรื่อยๆนะขยายเมตตาไปเรื่อยๆให้มันเกิดมีพลังให้เกิดมีพลังคือระดับแผ่เมตตาจิตเมตตากรุณาเมตตาเบีย้ยขาไปในที่ต้องพวงเเรื่องใหญ่เลยนะเราะมันมันมันจะสะดุดเชสมมติว่าที่หนึ่งมีคนไม่ชอบเรามันจะสะดุดอยู่ที่คนนั้นใจไม่ไป แต่ถ้าสวดตามธรรมเนียมนะก็ได้เพียงแต่ว่าถ้าทำไม่ได้จริงๆเนี่ยมันต้องดูที่จิตเราเรามีความรู้สึกต่อคนทั้งหลายล้วความเป็นมิตรจริงหรือไม่แต่เรารู้สึกไม่ได้ก็แสดงว่าสาทยายได้แล้วว่าแผ่ไม่ได้เพราะจิตมันแผ่ไม่ออก มันมีกรมราคะเป็นอุปสรรคอยู่มันมีโทสะพยาบาทเป็นอุปสรรคอยู่เพรา ะ, ะนั้นเจนว่าจิตถ้ายินดียินร้ายเนี่ยมันไปไม่ได้เพอจิตยินดีกิเลสประเภทราคะโลภะ ก, ก็เกิดจิตยินร้ายกิเลสประเภทโทสะ ก, ก็เกิดแม้ตา ม, มันก็ไม่ปรากฏเพรา ะ, ะจิตต้องสงบความยินดียินร้ายแม้จะมองแบ่งแยกเป็นเราเป็นเขา แต่อย่างน้อยก็คิดว่าเรากับพวกเราโดยไม่ไปคิดว่าเออศาสนานั้นศาสนานี้ยังนึกอย่างนี้ว่าสังคมพุทธบางทีนิยมในเก่งกว่าพระนะะวันที่พระบาองค์ท่านยังถือนิกายกันจงนังเลยมองแล้วเราสลดว่าเออท่านท่านอุตส่าห์บวชเป็นพระ และศาสศินปตั้งเยอะแต่แยกนิกายกิเลสสันนิกายอย่างอย่างเอาชนะไม่ได้แล้วท่านจะไปรบอะไรกับใครนี่เป็นเรื่องหลักคือเราต้องเห็นที่จิตสรุปเราต้องเห็นที่จิตเราพอถ้าเรามองเป็นนิกายเนี่ยสมมติเราอมองมองพระเป็นนิกายเป็นธรรมยุทธ์เป็นมานิการเป็นมห า, ายะ เ, เทราวาดมาหายานเนี่ยมันจะเกิดยินดียินไล่ไปยึดมาบตกตั้งแต่อินเสียสังหวดไปไม่ได้ ไม่ต้องพูดถึงเมตตาหรอกมันตกตั้งแต่อินเสียสังว ร, รมันเกิดยินดียินร้ายใจมันก็ขุนแล้วนกลับไปสู่กระแสของอุปกเกสอย่างที่ทรงแสดงไว้ตั้งหลายข้อนะฮวันนี้รั บ, รบสั่งว่าภิกษุนั้นมีใจประกอบด้วยเมตตาประกอบด้วยกรุณาประกอบด้วยเมตทิตาประกอบด้วยเบกขา ไม่ตามีข้าศึกใกล้คือกามราคะมีขสาศที่อยู่ตรงกันข้ามเนี่ยคือกิเลสประเภทโสทะแดี๋ยวท่าเน้นที่ตัวพยาบาทเพราะว่าพยาบาทมันตกค้างอยู่ภายในใจแต่จริงๆก็ลูกโกรธก็อยู่ภายในใจนะฮะความโกรธก็ผูกก็อยู่ภายในใจเว้นการจ ะ, จะเจริญเมตตาได้เนี่ยมันต้องขจัด ความรู้สึกพยาบาทความรู้สึกกำนัดพอใจในทางเพศเพราะเมตาจึงเริ่มต้นที่เพศตรงกันข้ามไม่ได้เราเห็นว่าพวกกาญอัยพวกมอ น, นานุสติอสุภกรรมฐานนะอสุภกรรมฐานาไปดูศพเนี่ยดูที่เพศตรงกันข้ามไม่ได้เพราะจิตแปรผันง่ายจิตไม่แกข่งมาต้องดูที่อื่นไว้ก่อน เราค่อยว่ากันทีหลังพรนเมตตาจึางเริ่มต้นที่คนซึ่งเรารักและคนที่เราชังก่อนเนี่ยไม่ได้ทําไมฮะเพราะว่าใจมันไม่แก่งถ้าเริ่มต้นที่คนที่เรารักมันก็กลายเป็นกามราคะเพราะมันมีต้นทุนอยู่มากภายในใจแต่เริ่มต้นที่คนซึ่งเราไม่ชอบ ไอ้ต้นทุนทางโทรศัท์มันก็อยู่เยอะเลยแจมันจะออกไปทางโทรศัไม่ออกมาทางเมตตาเพราะเมตตาจึงเริ่มต้นที่ตัวเองให้ได้การคิดพื้นฐานเราต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์ช่นใดคนอื่นสัตว์อื่นก็ต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์เช่นเดียวกันแต่นั้นก็แสดงทางกายทางวิชาไปก่อน ทำอะไรทำด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังพูดถึงหรือพูดด้วยก็พูดด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังอันนี้คือคือการฝึกการฝึกในตอนต้นเนี่ยเราจะเห็นว่าวิชาจะเริ่มเมตตาการจิตมังมวงิจิตกำมังมโนกำมังแสดงจะท้อน่างการกระทาก่อนการพูดก่อนเพราะตรงนั้นเราจะเห็นว่าถ้าเรามีได้เนี่ย ศีลมันมันมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติอย่างศีลห้าประการนี่ไปแล้วแต่เราเมตตากายกรรมมังบวจีกรรมังเนี่ยนะฮะหรือเมตตาทางกายทางวาจาเนี่ยเป็นศีลไปโดยอัตโนมัติลจิตมันอยู่ที่เมตตาแล้วการประทุษร้ายในลักษณะต่างๆซึ่งเป็นการผิดศีลเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นจากนั้นก็ค่อยๆ มอง้วยใจคือเริ่มจากจุดเล็กๆไปก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือทำอยังไงว่าสร้างครอบครัวอบอุ่นเนี่ยเรามีความเมตตาจิตพูดง่ายๆระดับกัลยาณมิตรมีความรักใคร่พร้อมจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันภายในครอบครัวมีการประพฤติมีการกระทำมีการคิด ที่มุ่งอุปการะต่ออีกฝ่ายหนึ่งและการทำการพูดกันคิดอย่างนั้นมันเป็นประโยชน์เกื้อกูลโดยอีฝ่ายหนึ่งเป็นรูปกิริยาปฏิกิริยาแล้วก็จากนั้นก็ค่อยๆว่ากันไปโดยลำดับเราใจนว่าปัญหาใหญ่ในด้านเมตตาเนี่ยเราพูดเราอะไรกันได้ แต่ก็จริงสังคมเรามีความขัดแย้งสูงซึ่งก็ไม่เคยเข้าใจอะนะเพราะว่าเราบอกว่าเราเป็นสังคมพุทธพยายามเรียกร้องให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจําชาติจริงๆเราให้ประจําใจจกกักรัดให้ประจำใจให้ได้เพราะว่าประจำชาติมันต้องเรียกจากคนอื่นแล้วพวกนี้ไม่ยอมมา แต่ถ้าเจ้าพูดธได้คิดว่าเอาศาสนาพุทธมาประจับใจมันเป็นพุทธด้วยใจมันพัฒนาสภาวะของความเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานขึ้นภายในใจโดยเฉพาะเรื่องรู้นี่เป็นเรื่องใหญ่เพราะอยู่ในยุค ข, ข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยถ้าขาดความรู้ในด้านข้อมูลข่าวสารมันจะเป็นปัญหาเยอะ ปัญาบางอย่างก็แก้ไม่ได้ยังแกล้กับปรญหาปักใต้เนี่ยจนปัจจุบันเนี่ยยังไม่รู้ว่าใครทํานะใครอยู่เบื้องหลังมันก็ตีความกันไปนะอธิบายกันไปนะักปราชญาเยอะอธิบายได้แต่ว่าคุณตอบได้ไหมว่าใครเป็นคนทําแล้วใครอยู่เบื้องหลังและมีความประสงค์อย่างไงทักฟังแต่ไร เสียงธรรมจากมาวิทายาลัยศรีปฐุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทัวกันสวัสดี